หลวงพ่อมีพระพุทธรูปอยู่สิบองนะใครยังไม่เคยได้มาเอาได้ออกมาเลยสิบคนตามยถากรรมใครมาก่อนเลือกก่อนอยู่ขบนนะแต่องค์เล็กๆรอบนี้องค์ใหญ่ๆเข้าไปหมดแล้ว แต่ละวัดโยมชอบเอาพระพุทธรูปมาให้องค์เล็กองน้อยอบางองค์ก็ใหญ่มากนะใหญ่ขนาดที่ยังเคยเอามาเลยห <_ EN> ลวงพ่อต้องอ้อนวอนช่วยเอาไปวัดอื่นได้ไหมเรามีที่จะตั้ง <_ EN> บางวัดนะต้องสร้างศาลาไว้อันหนึ่งเลยใหญ่ๆข้างในนั้นมีพระนับจํานวนไม่ท่วนซ้อนซ้อ น, ซ, อนซ้อนกันอ่าไม่เกิดประโยชน์อะไร ได้มาหลวงพ่อก็เอามาไหว้ๆแล้วก็ามาแจกนะพวกเร า, เาไปไหว้ต่อยังจะได้บุญเก็บไว้เฉ ย, เฉยๆก็ไม่ประโยชน์เลยยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะวางไว้ข้างล่างโอ้นหนลวงพ่อยังไม่ว่างมาไหว้ เมื่อเช้าเป็นไงรู้เรื่องเปล่าหลวงพ่อเลือกกรรมาฐานมาให้พวกเราทำเอาที่ง่ายๆฆราวาสเยจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดมีสองข้อข้อหนึ่งสมาธิไม่พอนี่พูดแบบสุภาพนะถ้าพูดตรงไปตรงมาคือไม่มีสมาธิ พูดสุภาพหน่อยไม่ให้เสือกํำลังใจสมาธิไม่พออีกอันหนึ่งคือความเพียรไม่พอทำบ้างไม่ทำบ้างอย่ามาโทษว่าทำมากของพระพุทธเจ้าไม่ดีนะถ้าเราไม่ได้เดินตามที่ท่านบอกศีลเราดีไหมก่อนจะโทษว่าปฏิบัติทำแล้วไม่ได้ผลนะ สำรวจตัวเองศีลเราดีพอหรือเปล่าศีลห้าไม่ต้องหลายข้ อ, อเอาห้าข้อจิตใจเรามีสมาธิพอไหมนะเราเจริญปัญญาเป็นไหมอย่างไม่เชา้าไม่ได้สอนเรื่องศีลนะือว่าพวกเราควรจะได้อยู่แล้วในฐานะมนุษย์เนี่ยมาเป็นมนุษย์ได้เพราะว่ามมีศีล ไม่มีศีลเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลนี้เป็นสมบัติประจำตัวของเราที่ติดตัวมาจะต้องมารักษามาต่อยอดสมาธิต้องฝึกการเจริญปัญญาต้องรู้วิธีแล้วก็ทำให้มากๆเลวพ่อก็เลือกกรรมฐานมาให้นะอนาปนาสติเมื่อเช้านี้สอนเรื่องอนาปนาสติ อานาปนาสติเป็นกรรมฐานกลางๆใช้ได้กับคนทุกทุกจริตเนี่ยความโดดเด่นของอานาปนาสตินะเป็นกลางๆใช้ได้ทั้งหมดใครก็ใช้ได้ทุกคนก็หายใจหายใจด้วยความมีสติมันก็เป็นอนาปนาสติหายใจทิ้งเปล่าๆไม่มีสติมันก็ไม่ได้เป็นอนาปนาสติ การที่เราคอยหายใจอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าหายใจรู้อยู่ที่ลมจิตจะได้กำลังได้สมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้จะแก้จุดอ่อนของพวกเราจุดอ่อนของพวกเราคือเราไม่ค่อยมีสมาธิสมาธิไม่พอเนี่ยภาษาสุภาพถ้าเป็นภาษาแท้ๆของหลวงพ่อ ให้พวกห่วยแตกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพวกเราแพ้หลวงพ่ออยู่เรื่องนี้หลวงพ่อฝึกสมาธิไม่เลิกเลยตั้งแต่เด็กนะงันมาเจอครูบาอาจารย์ท่านสะกิดหน่อยเดียวเราเดินปัญญาไปได้รวดเร็วถ้าสมาธิไม่มีเดินปัญญาไม่ได้ใจมันล่องลอยหนีไปที่อื่นมันลืมตัวเอง งั้นทำอะไรไม่ได้ก็หายใจไว้ด้วยความรู้สึกตัวหาใจออกรู้สึกห้ยใจเข้ารู้สึกไปถ้าต้องการพักผ่อนก็เอาความรู้สึกไปไว้ที่ลมหายใจถ้าต้องการสมาธิอีกแบบหนึง่งที่จะไว้เดินปัญญาก็ปรับสมาธินิดหนึง่งรู้ร่างกายหายใจ รู้ร่างกายหายใจทันทีที่เรารู้ร่างกายหายใจนะขันมันจะเริ่มแยกมีเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูขึ้มนมาได้นี่พอร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยู่แค่นี้ก็เป็นสมาธิอีกแหละ ย, ยังไม่ขึ้นปัญญามันแค่ปัญญาขั้นต้นแยกได้ว่าร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนี่รูปนามมันแยกกัน แต่มันยังไม่ขึ้นวิปั ส, สนานะจะขึ้นวิปั ส, สนาก็ต้องอาศัยสัญญาเข้าไปหมายรู้นะสัญญาเข้าไปหมายรู้ถ้าไม่มีสัญญาปัญญาจะมีไม่ได้นะแล้วถ้าไม่มีสัญญาที่ผิดนะมิจฉาทิฏฐิก็มีไม่ได้ตวสโลกมีมิจฉาทิฏฐิกันทุกคนแหละทุกตัวทุกคนทุกตน ทุกองมิจฉาทิฏฐิมันก็มาจากการหมายรู้ผิดๆเห็นไหมมาจากสัญญาที่ผิดหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของที่ไม่เป็นตัวตนว่าเป็นตัวตนพอหมายรู้ผิดจีิงๆมีกันหนึ่งนะแต่มันไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาคือหมายรู้ในของซึ่ง ไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้างงามนะอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่สวยไม่งามเรารู้สึกสวยๆนะกายคนอื่นก็สวยกายเราก็สวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันหมายรู้ผิดๆนึ่งเอานางงามจักรวาลมาดูให้ดีเหรอนะนางงามจักรวาลปีนี้ประเทศไหนใครรู้บ้างไม่รู้เลยเหรอ แล้วจะเป็นโลกกวิทูไหมรู้โลกแจ่มแจ้งโลกอวิทูไม่ได้แปลว่ารู้โลกอย่างนี้นะนี่โลกศกมกเนะรากวิทูรู้รูปนามนะโลกคือรูปนามไปจับนางงามจักรวาลมาทิแล้วเอาแว่นขยายไปสองดูความงามเธอให้ประนีตดูไปโอ้รูทั้งตัวเลยนะมีแต่รู้มีขนมี อะไรที่ดูน่าเกลียดไปหมดนะมันดูสวยดูงามมันดูไม่เป็นร่างกายมนุษย์มันสวยมันงามอะไรนักหนาพระอระหันต์ยุคก่อนนะท่านบอกว่าร่างกายของสาวงามเนี่ยเหมือนถุงี่เป็นถุงหนังไม่ใช่ถุงผ้าไม่ใช่ถุงอะไรไม่ใช่ถุงพลาสติกเป็นถุงหนังเป็นถุงหนังใบหนึ่ง มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่ก้ารูไปนับเระเองมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ท่วนมีของโศกโรกไหลออกมาเป็นนิดเนี่ยพระอรหันต์ท่านชมสาวงามนะมีสาวมาจีบท่านอย่างพระโมคคลา่บางทีมีสาวมาจี บ, น ะ, จบนะแล้วท่านก็สรุปนะว่ากระทั่งปลายเท้าของเรานะยังไม่อยากเหยียดไปถูกเธอเลยนะ อย่าว่าแต่จะไปกอดเลยนะให้เอาเท้าไปถูกยังขยักขยงสุขโบกนะรับได้ไหมถ้ายุคนี้สำนวนนี้รับไม่ได้นะดูถูกสิทธิสตรีทำไมไม่บอกว่าบุรุษก็สุขโรกนะอันนั้นไม่ต้องพูดลาไว้ในฐานที่เข้าใจนะบุรุษส่วนใหญ่มันก็สุขรกอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าไม่แน่นะ ผู้ชายยุคนี้ประณีตกว่าผู้หญิงอีกนะเสริมสวยเยอะกว่าผู้หญิงอีกนะเ่ของไม่สวยไม่งามเห็นว่าสวยว่างามของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงอย่างจิตเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นว่าจิตเราเที่ยงของเป็นทุกข์เราเห็นว่าเป็นสุข อ่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยเราเห็นว่ากายเนี่ยมีความสุขนานๆทุกทีหนึ่งจิตใจนี่ก็มีความสุขนานๆทุกทีหนึ่งมีปัญหามากๆหนึ่งจะทุกข์ในความเป็นจริงแล้วกายนี้ทุกข์ล้วนๆใจนี้ทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยเท่านั้น ความหลงผิดหมายรู้ผิดอีกตัวหนึ่งคือเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราอย่างร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุก้อนธาตุของโลกอยู่โช่วคราวก็แตกสลายไปเราคิดว่านีา่ตัวเราตัวเราตัวเร า, เรานะพอมีสัญญาที่ผิดหมายรู้ผิดเวลาคิดก็คิดผิดนีย่ยพวกเราเวลาคิดรู้สึกหมคิดที่ไรมีเราทุกทีเราอย่างงน้นเราอย่างนี้นะ บางคนเวลาคิดทก็ใช้คําว่าเราบางทีก็บางคนก็ชั้นก็กลัวงูกลัวอย่างนี้พวกเราใช้คําว่าอะไรเวลามันคิดถึงตัวเองใช้คําว่าอะไรใช้เราไหมใครใช้เรายกมือซิใครใช้อย่างอื่นมีไหมใช้ว่าอะไรฮะกลัวมันลูกพ่อขุน มีคนก็กูแต่หลภงพสุภาพนนะว้เราเวลาโมโหโห้อยกูนะสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คำว่าเราเนี่ยกลวงคำว่าเรากลวงๆเป็นโมหารไปอ่งนันเองนะมันเวลาคิดเนี่ยมันไม่มีตัวประธานมีแต่กิริยา ก, กรรมตัวประธานมันหายไป หมายรู้ผิดก็นำไปสู่การคิดผิดผิดพอคิดผิดผิดก็เชื่อผิดผิดมิจฉาทิฏฐิมันมาจากตรงนี้เองมาจากการคิดผิดก็เลยเชื่อผิดถ้าหมายรู้ถูกต่อไปก็คิดถูกต่อไปก็เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นเกิดปัญญางั้นเราไปหัดหมายรู้ให้ถูกนะดูลงในกายเราถนัดเห็นว่า ร่างกายนี้ไม่เที่ยงตาหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายร่างกายที่หายใจออกตายไปแล้วร่างกายที่หายใจเข้าตายไปแล้วดูอย่างนี้ก็ได้หรือดูว่าร่างกายนี้ชีวิตนี้กำลังหมดไปสิ้นไปเรื่อยๆใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะอย่างนี้ดูตัวทุกขังเนะี่ยดูไปร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะ เหมือนอุโมงเหมือนถ้ำที่จิตมาอาศัยอยู่เมื่อกี้ก็มีพวกเรามาถามหลวงพ่อว่าดูแล้วไม่เห็นอุโมงค์แล้วเห็นแต่ตัวนี้ตันๆอยู่เพราะว่าจิตที่ดูมันอยู่ข้างนอกบอกเอาจิตแง่งนอกสนะิทำสมาธิไปก่อนให้จิตเข้าฐานให้จิตอยู่ข้างนอกมาดูมันยังไม่ดีพอนะห้าจิตเข้าบ้านเข้าฐานนะ้มันจะเหมือนจิตอยู่ข้างในนะรู้สึก แล้มีเห็นแล้วอยู่ถูกขังอยู่แท้ๆเลยนะไม่เห็นมีอะไรเลยนะไม่ใช่คนนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราตัวเขานะดูไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกเดี๋ยววันหนึ่งก็ล้างความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเรานะจะได้โสตาบันค่อยๆฝึกไป ชาตินี้อย่างต่ำนะปิดอบายให้ได้เป็นโสดาบันให้ได้ไม่ยากทำให้ถูกนะแล้วทำให้มากวิธีทำให้ถูกสอนแล้วนะเหลืออย่างเดียวทำให้มากไปคุมตัวเองให้ปฏิบัติทุกวันไม่ใช่ทาบ้างไม่ทาบ้างถ้าทำถูกแล้วทำมากเนะี่ยสมาธิที่ไม่เคยมีมันจะมีนะจิตใจมันจะมีกำลังข่้นมา แล้วม่เจริญปัญญาไปทีแรกก็ช่วยมันหมายรู้ต่อไปจิตมันหมายเองตัวนั้นแหละเดินวิปั ส, สนาจริงๆแล้วไม่ได้เจตนาหมายมันหมายเองทําไมมันหมายเองได้เพราะมันเคยหมายจิตเนี่ยมันจะไหลไปตามความเคยชินเราเคยหมายรู้ไตรักณมันก็จะเห็นตรักณ์เราเคยหมายรู้อัปปะรักษนะ์นี่ยอย่างว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราอนะไรเงี้ยก็จะเห็นผิดไป คิดทีไรมันก็เป็นเราทุกทีฮะงั้หัดหมายรู้ไปเรื่อยๆนะแต่สมาธิต้องพอนะถ้าหมายรู้ไปโดยสมาธิไม่พอเนี๋ยววิปัสสนูจะมาง่ายนีนสมาธิสําคัญนะงั้นต้องฝึกทุกวันเรื่องสมาธิหายใจไปรู้สึกไปถ้าต้องการพักผ่อนก็รู้ไปที่ลมหายใจ ต้องการเตรียมจิตไปเดินปัญญาก็เห็นร่างกายหายใจจะต้องการกระตุน้นการเดินปัญญาถ้ามันเห็นร่างกายหายใจอยู่เฉยๆไม่ยอมดูไตรลักษณ์ก็หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ลงไปอันใดหนึ่งไม่ต้องหมายสามตัวนะดัวนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้นัตตก็ได้อย่เนี้ยเมื่อกี้ทดลองทําพอหมายรู้ทุกขังนะใจมันสลดสังเวชได้มาเลย ใจมันเริ่มฉลาดขึ้นมาเริ่มเห็นความจริงนะน่าสลดใจไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนะแต่เป็นของน่าสลดเนี่ยค่อยๆรู้นะหัดไปพอเห็นตามความเป็นจริงนะก็จะเบื่อหน่ายที่เบื่อหน่ายแบบเบื่อหรือเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นภัยเห็นความไร้สาระไม่มีสาระแก่นสารเห็นแล้วสลดใจอย่างเงี้ย ตัวนี้ใจมันเริ่มเดินปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นให้รู้ทันเกิดความเบื่อหน่ายรู้ทันลงไปที่เบื่ออีกสลดสังเวชรู้ลงไปอีกนะอย่าให้ความเบื่ออย่าให้ความสลดสังเวชครอบงำใจในสุดใจก็เป็นกลางเพราะรู้สภาวะด้วยจิตที่เป็นกลางไปนะมีปััสนาปัญญาพราะงอกงามขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายพอ ม, มีปรัสนาแก่รอบ มันจะเห็นเลยสุขกับทุกข์ดีกับชั่วเสมอกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนๆกันไม่ใช่ตัวเราเหมือนๆกันยังดูกายนะกายจะดีหรือกายจะไม่ดีใจก็เป็นกลางมันเห็นความจริงของกายแล้วก็ไม่ได้หลงรักกายใจมันก็หมดการดิ้นรน ใ, ใจหมดความดิ้นรนนะตรงนั้นเป็นประตูแห่งอริยมรรคบุญบารมีพออริยมรรคจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครทําอริยมรรคให้เกิดได้นะเกิดเองนั้นเดินในแนวที่หลวงพ่อสอนนี่แหละฝึกให้มากข ย, านนยันหะน่อยไม่ใช่ทําบ้างไม่ทําบ้างแล้วจะมาโทษว่าคำสอนไม่ดีใช้ไม่ได้นะตัวเองไม่ดีพอสำหรับคาสอนทาง เอาต่อไปตรวจกันบ้านให้พวกอยู่วัดว่ามาก่อนอาบหลวงพ่อค่ะคือรู้สึกตัวเองติดเพ่งอยู่นะคะถูกเพราะว่าเริ่มประชันเพ่งแล้วนึกว่าตัวเองออเพ ง, ง, เพงดูออกไหมทาไมถึงเพ่งดูออกไหมตั้งใจเปล่าค่ะเออทำไม ต, ต้องตั้งใจมันโลภมันรักตัวเองอยากดี อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากปฏิบัติอยากมากนั่นต้นต่อรากเงาของมันคือตัวอยากนะงั้นอยากเลิกเพ่งอยากไหมอยากเลิกเพ่งก็ยังอยากอีกใช่ไหมรู้ทันใจที่อยากไปความอยากดับการเพ่งก็ดับยังอยากอยู่ก็เพ่งอยู่อ้าววัาการค่ะหลวงพ่อ จิตตอนนียปกติไหมมันดันนขึ้นมาดันขึ้นมานะถูกแปะเลยใช้ได้อย่างนี้ถือว่าหนูเห็นสภาวะแล้วนะมันดันขึ้นมารู้ว่าดันเมื่อดูสภาวะเป็นแล้วสอไปการปฏิบัติไม่ยากหรอกดูความเปลี่ยนแปลงของสภาวะไปอย่าตอนนี้แหลงดันนั้นลดลงแล้วรู้สึกไหมตงเนี้แสดงความไม่เที่ยงแล้ว เพ้ต่อไปไม่ว่าสภาวะอะไรผุดขึ้นมานะเราก็รู้สภาวะันนั้นดับไปเราก็รู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปทําเอาค่ะหลวงพอ่อหลวงพ่อนิดนึงค่ะเออพอมันดันขึ้นมาเห็นกิเลสแล้วมันชอบไปภาคแล้วก็แช่ภาคไม่เป็นไรนะอย่าไปแช่อย่าไปเกลียดมันด้วยเป็นกลางกับมันรู้ด้วยความเป็นกลางหนูด no ูไปเลยเวลากิเลสเกิดดูซิเที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้นถามตัวเองเลยดูซิ ดูไปซิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะไหนไหนมันชอบพากแล้วให้มันพากเข้าทา่าอขอบคุณค่ะบมาตรการครับโดยรวมสงวันนี้สติอ่อนนะครับมีหลงเยอะมากครับหลงเยอะหรือหลงบ่อยหลงบ่อยแล้วก็หลงนานครับบ่อยกับนานอยู่ด้วยกันไม่ได้ ต้องเอาอันใดอันหนึ่งถ้าหลงบ่อยเนี่ยจะหลงสั้นๆนะหลงแวบแล้วรู้แวบแล้วรู้หลงไม่นานหลงนานเนี่ยหลงไม่บ่อยคือหลงทีเดียวทั้งแต่เช้ายันเย็นนะตัวหลงหลงบ่อยหรือหลงนานบางครั้งก็นานบางครั้งก็บ่อยใช้ได้ถูกทำไมบางครั้งก็นานบางครั้งก็บ่อยเพราะสติเป็นอนัตตา บางครั้งสติก็เกิดเร็วบางครั้งสติก็ไม่ยอมเกิดสติเกิดเร็วมันก็หลงบ่อยสติมันไม่ค่อยจะเกิดมันก็หลงนานเนะี่สติก็สอนธรรมะเรานะเป็นอนัตตาเหมือนกันเพื่อนที่ตอบมันะถูกถ้ามาบอกหลวงพะวะ่อว่าทั้งวันเลยนะหลงบ่อยโมลนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกดีไปฝึกอีกนะดูสภาวะไปแล้วสภาวะจะสอนไตรลักษ เดิมไม่เข้าใจทุกขังนหลวงพ่อแต่เมื่อคืนเนี่ยเดินจงกรวมาอยู่มันมีก้าวแต่ละก้าวไปอ่ะแต่ละก้าวมันให้ถูกถูกผลักดันให้มันต้องเป็นก้าวใหม่ต้องอะไรเงี้ยนะก็เลยเข้าใจทุกขังแล้วก็มองไปเหมือนกับเข้าใจมองไปที่ป่าหลวงพ่อมันมีฝนตก่ ะ, ะ ừ, แล้วป่าเหมือนกับทุกอย่างถูกกดอื <ừ, S 1> เป็นทุกขังแบบนี้ ừ, ฮ ะ, ฮะมาดูที่พื้นจําที่หลวงพ่อบอกด้ว่าหลวงปู่เคยบอกว่าแม้แต่พื้นมันยัง เปลี่ยนแปลงอะ่ะเมื่อเช้าของพ่อกระเทศได้ฟังเรื่องคุกขังก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าใจค่ะเข้าใจถูกแล้วก็ไปทำเอาจิตมันชอบมองมุมนี้ก็มองมุมนี้พามันดูทุกขังไปเรื่อยๆความเจ็บป่วยครับพ่อยังมีเมือันร่างกายมันป่วยปุ๊บเนี่ยมันยังหดหูค่ะอืมถฝึกเอามันยังรักกายอ หลวงพ่อก็ป่วยนะป่วยอยู่เรื่อยๆล่ะชราละไปหาหมอทีไรก็ได้โรคแถมมาทุกทีหมอแ ก, เก้เก่งไปตรวจทีไรก็มีอีกโรคหนึ่งตรวจ อ, อีกงานหนึ่งเรียกว่ามากหมอมากกว่าเอาว่าไปครับกราวบรรดาบุารหลวงพ่อครับปกติแล้วในชีวิตประจำวันนี่ก็มีสติรู้กายรู้ใจนะฮะแล้วก็กิเลสเนี่ยเห็นเห็นเยอะครับ เรื่องของกิเลสจมอยาเรื่องของความโกรธแล้วก็เห็นแล้วก็ที่ที่เหลือคือความโกนธมีตอนหลังเสือว่าไม่ชอบใจก็จะรู้รแล้วว่าบุญจิตใจก็จะเห็นนะความโลภเนี่ยจะเห็นความอยากเช่นอยากเปิดโทรศัพท์เนี่ยจะรึกมีความยุกยิกที่แล้วอั <ๆ S 1> นในหลังมาดุยิกเนี่ยแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคิดว่าหลงเนี่ยเหมาะสำหรับผมก็คือว่าผมจะรู้สึกลืม ถ, ถ้าลืมกายลืมใจเมื่อไหร่เราก็มีสติรู้ของอีกรอบหนึงซึ่ง เสื้อหลวงพ่อเคยสอนให้รู้แล้วหลงเนี่ยดูแลเหมอะสะําหรับผมหลงแล้วรู้คำหลงแล้วรู้ ร, ร, รู้แล้วหลงไม่ได้ <laughs> ไม่ดีครับห<ร> ล, <ง S 2> ลงแล้วร<ง>ู<ง>้แล้วก็น่าจะบอมเะสะําหรัผมนะครับใช่ส่วนเรื่องของความเป็นตัวตนเนี่ยก็เลยกลับเรียนหลวงพ่อว่า ผมมีความรู้สึกสมัยที่เจ้าเด็กๆนะครับผมรู้สึกว่ามีบางข้างบางข่าวเกิดมาความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นใครมาจากไหนเนี่ยแต่ ม, มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงความรู้สึกที่ผุดมาเป็นช่วงๆในสมัยวัยเด็กนะอันนั้นแสดง ว, ว่าบุญบารมีเก่ า, ามีเอ<ม>นะโตขึ้นมาอาการนี้หายไปจนข้างกลับมาปฏิบัติแนวหลวงพ่ อ, อก็มีความรู้สึกกลับมาอีกรอบหนึงนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ขาดเต็มที่แต่ว่าแต่จิตเนี่ยผมว่าสลัดนี่ยากมากครับมูลรอดครับเอาไว้ให้พระอนาคาท่านสลั ได้นอนาคาก่อนนะแล้วค่อยไปวางจิตตอนนี้ไม่ต้องครับครับใครๆโชคมวยแล้วก็ชกไปตามรุ่ น, นอยู่ๆเราก็พีโชคกับแชมป์โลกแล้วตายอาวิชาเนี่แชมป์โลกเลยงินยังยึดจิตอยู่ไม่เป็นไรก็พาจิตมันทำความดีไปพาจิตมันอย่าชั่วก็แล้วกั น, นค่อยๆสะสมศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นนะ เียมันก็พัฒนาเองคนระใครจำเป็นจะต้องส่งกันบ้านคนนี้ยังเ็ยคนชูป้ายในเวทีมวยนะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี <laughs> okay. ตื่นเต้นรู้ไหมรู้สึกรู้สึกไหมตื่นเต้นรู้ว่าจะทานกันรู้ตัวเองกัตื่นเต้นว่าไปขอส่งการปฏิบัตินะคะพอดีช่วงที่มีนอนหลับอะค่ะแล้วนอนในสมาธิไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าค่ะนอนจะเกิดเหตุการณ์อยู่สองครั้งนะคะ ครั้งแรกก็คือนอนเสร็จแล้วลูกสาวมาทับขาพอดีก็เลยจะขยับขาแต่ขยับไม่ได้ออพอขยับไม่ได้เนี่ยก็ร้องน้องในใจอะค่ะว่าช่วยด้วยช่วยด้วยก็ยังขยับไม่ได้แต่ว่าพอพุโทโธอะค่ะแค่พุโทโธเหมือนตกลิฟต์ลงมาค่ะอันนั้นคือเหตุการณ์ที่หนึ่งเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนไม่ใช่ผีอำอย่าไปโทษใส่ผีนะ อ๋อไม่ได้โทษแต่ว่าพอไปถามคนอื่นเขาจะบอกว่าผีอัมก็เลยไม่แน่นใจค่ ะ, คะเหตุการณ์ที่สองเกิดคล้ายๆกันแต่เป็นเหตุการณ์ที่ว่าอพอดีไปอยู่ที่โซฟาจิตไปอยู่ที่โซฟาหลับเหมือนกันอะค่ะจิตออกไปอยู่ที่โซฟาก็เลยรีบกลับมาพอรีบกลับมาเสร็จขยับตัวไม่ได้เหมือนเดิมพอขยับตัวไม่ได้ก็พูดโทก็ไม่ได้อีก พอพูดโทไม่ได้ก็เลยเขานิ่งทาจิตนิ่งสงบสงบสักพักนึงอะค่ะถึงขยับตัวได้อันนี้ก็เลยจะเรียนทาง ม, มันไม่มีอะไรหรอกเป็นธรรมชาติ <c oughs> เป็นทุกคนเลย <c oughs> แล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผีด้วยนะค่ะ <c oughs> ร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนล่าอันกันบ <c oughs> างครั้งร่างกายนอนหลับนะจิตยังตื่นอยู่ค่ะ <c oughs> แต่จิตเนี่ยกายมันหลับไปแล้วจิตมันสั่งให้กายเคลื่อนไหวไม่ได้ งั้นไม่ต้องตกใจนะดูไปเลยเนี่ยเออกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเล่นไม้นี้ไปเลยค่นะะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้จริงดูไปอย่างงี้นะเพราะงั้นถ้ารู้สึกแบบผีอำเนี่ยพิจารากายลงเป็นไตรลักษณ์เลยไม่ใช่เราคเนะราปุกรอีกนิดนึงนะคะออพอดีเมื่อต้นปีมาส่งกันบ้านนะคะอาจจะงง่ค่ะ ไม่เข้าใจก็คือพระอาจารย์บอกให้ไปพิจารณากระดูกอืพิจารณาแล้วก็ไม่ยังไม่เข้าใจเลยรู้สึกว่าตัวเองโง่มากอืมไม่เป็นไรภาวนาไปเถอะคะที่หลวงพ่อให้ดูกระดูกเนี่ยเพราะใจมันฟุ้งซ่านออกข้างนอกแรงมากเลยพยายามย้อนเข้ามารู้สึกมีจิตมีพลังมากจนบังคับอะไรก็ไม่ได้เลยนั่นแหละพยายามมาดูในร่างกายเราไว้ ถ้จิตมีแรงมากๆบางทีร่างกายเราเบิดเลยนะระเบิดไปร่างกายหายไปหมดเลือจิตดวงเดียวเออเคยระเบิดครั้งหนึ่งอะค่ะรู้สึกเหมือนแตกเลยอ่ะเออแตกแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าใช่แล้วกายกับจิตมันแยกกันตลอดเลยชอบเกิดตอนที่ตัวเองนอนหลับอะค่ะเออนั่นแหละไปนอนบ่อยๆแต่แว่านอนแล้วทําสมาธิเก่งใช่ค่ะ เพราะเวลานอนนี่จะ ห, หลับในสมาธิเข้ารู้ไหมว่าทำไมทำสมาธิเก่งตอนนอนตอนอยู่ข้างนอกไม่ค่อยเก่งค่ะเพราะฟูงซานมากอย่างนี้ควรจะปฏิบัติยังไงคะมีสติในชีวิตประจำวัเนยเยอะๆหน่อยนะแล้วก็ไปนอนสมาธิต่อนะได้ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อเขาเคเป้นแต่ก่อนนะ นอ น, นอนอยู่แล้วสั่งให้ร่างกายกระดิกไม่ได้นะ ท, ทั้งที่แต่เดิมเรารู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราเสร็จ แ, แล้วเรารู้สึกมันไม่ใช่แล้วนะแล้วไม่ได้คิดว่าผีอัมนะเพราะมองไปจนทั่วก็ไม่เจอผีก็เพราะว่าอ๋อร่างกายมันนอนหลับมันยังนอนกลนอยู่เลยเคยเจอไหม อ๋ออาการนี้เคยเจอแล้วค่ะออขณะที่นอนอยู่ได้ยินเสียงคนอื่นคุยหมดเลยเสร็จแล้วสามารถเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังได้เขากำลังคุยเรื่องดูทีวีว่าเนี่ยกำลังดูแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปอย่างนี้เชื่อรหรื อ, อยังว่าเราออฟุ้งซ่านโอเคค่ะ <laughs> <laughs> มีอยู่คราวนะหลวงพ่อบวชในในพรรษาที่สามบวชได้สองปีกว่า แล้วกลางวันตอนเช้าเนี่ยสอนโยมเนี้ยแล้วเหนื่อยมากเลยเลยไปนอนพักนอนพักแล้วสักบ่ายสองโมงได้เวลาจะต้องไปรดต้นไม้นะตอนนี้ปลูกต้นไม้ใหม่ๆต้องเตรียมตัวไปรดต้นไม้สองโมงก็ตื่นตื่นเนี่ยร่างกายขยับไม่ได้ทั้ ง, งที่ตื่นเต็มที่แล้วนะจิตเนี่ยตื่นเต็มที่แล้ว ขยับไม่ได้ทำไงก็กระดุกกระดิบไม่ได้ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่แบบผีอำแบบผีอมคือร่างกายมันยังหลับอยู่อันนี้ร่างกายมันตื่นจิตก็ตื่นแต่จิตเนี่ยสั่งร่างกายไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่มีกำลังไม่อยู่ในอานาจบังคับลนะวพ่อก็ขยับนิ้วขยับนิ้วเท้าขยับขยับได้ทีละนิ้วสองนิ้วนะ พอขยับได้หลายนิ้วแล้วครนี้ขยับเท้าอย่างเนี้ยแกว่งแขวงแขว่งนอนอยู่นะขยับนีบับขยับเสร็จแล้วก็เห็นนะกายนี้มันทุกข์นี่หว่ามันก็เหมือนจิตมันถอดออกมานะจับร่างกายเนี่ยจับเวียงทะลุฝาผนังห้องอไปเลยโยนทิ้งเลย เนี่ยจิตนะเป็นของวิจิตพิสดารที่ทำอะไรได้แปลกๆสนุกนะยิ่งภาวนาแล้วมีอะไรแปลกๆสนุกมากสําหรับบางคนภาวนาแล้วกลัวผีกลัวว่านั่งแล้วจะเห็นผีหลวงพ่อบอกให้เลยว่าตอนที่เจอผีจะไม่กลัวมันกลัวตอนที่ไม่ได้เจอตอนที่หลงคิดเอาตอนที่เจอผีจิต ท, ทรงสมาธิอยู่ผีกลัวเรานะเราไม่ได้กลัวผี พราะฉเราภาวนาเนี่ยไม่ต้องกลัวผีนะไอ้ตอนที่เรากลัวผีเนี่ยเราจะไม่เจอผีแต่เราจะหลอกตัวเองว่าผีซ่อนอยู่ตรงนั้นซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเปล่าอย่างเงี้ยนะซ่อนไปทุกหนทุกแห่งไอ้นั่นคิดเอาเองทั้งหมดนะงั้นเวลาภาวนาอย่าไปกลัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายหายใจไปหายใจไปแล้วลมหายใจหยุดอยเงยยังไม่เคยมีใครตายเพราะการภาวนานเลยนะ ลมหายใจหยุดนะถ้าจิตมีสมาธิมันก็หยุดได้หยุดได้นานๆ น, น, นะหยุดได้นานไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันก็หายใจใหม่หรือภาวนาไปเห็นตัวเองเห็นหัวกะโหลกภาวนาแล้วเห็นหัวกะโหลกกลัวนะแล้วเลิกปฏิบัตินี่โง่นะเพราะฉะนอย่าเลิกอย่า ก, กลัวเป็นหัวกะโหลกก็ดูไปเผื่อมันให้หวยนะ ดูไปเรือ่อย่าไปกลัวใจกล้ากล้าภาวนาใจกล้ากล้าฝึกตัวเองไปเรื่อยๆภาวนาแล้วกระดุกระดิกตัวไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวปเดี๋ยวก็กระดุกระดิกได้นะไม่ใช่ผีแม่ไหมจะมาเอาตัวดูถูกแม่ไหมชอบโทษผีนะผีก็คือความคิด ที่ผิดผิดของเราเนี่ยตัวผีการหลวงพ่อคะเออคือดูไม่ออกว่าตัวเองรู้เองหรือว่าจ้องอยู่อะคะ่ะถ้าจ้องแล้วใจมันจะแน่นวิธีดูง่ายๆน ะ, ะถ้าเราไปจ้องเหรว่ามันมันจะแน่นที่หน้าอกเนี่ยแน่นขึ้นมาคือส่งกันมานมา่อสองปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าระวังใจรักษาตัวรู้อะคะ่ะเอ อ, เ อ, อตอนนี้ไม่ได้เฝ้าไม่ได้รักษา แปลว่ารู้เองใช่ไหมคะใช่รู้เองแล้วก็เป็นกลางแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะค่ะตอนนี้มันตื่นเต้นแล้วก็ไปเพลงมันไว้นิ่งๆอ่ะดูออกไหมเคยเห็นความเป็นกลางแล้วใช่ไหมคะใช่เคยเห็นแล้วแต่ว่าก็ยังขันก็แยกแล้วเป็นกลางก็เคยเป็นแล้วไตรลัก์ก็เคยเห็นแล้วแต่ว่าก็ยังหลงแบบ หลงนานมากเออเขฝึกบ่อยๆทำกรรมฐานไปเรื่อยๆนะเช่ในหายใจไปพุโทโธไปทำเป็นทั้งวันนะแต่ก่อนจะกังวลจะได้หลงไม่นานจะกังวลว่าแบบสมมติประชุมเสร็จแล้วเครียดมากก็จะหลงไปหลายชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็หลายชั่วโมงก็หลายชั่วโมงเราก็ดูไปอืแต่มันก็ยัง <c oughs> รู้สึกว่าเขมีมีศิลปะบ้างสิอย่างเราประชุมแล้วเครียดนะ เอาอย่างที่ไปชมมาเราหาอะไรที่สบายใจเล่นมันสักพักหนึ่งนะเช่นอ่านหนังสือกระตูนหลวงพ่อเมื่อก่อนอ่านกระตูนเลยกระตูนเด็ก อ, ะอ่ะอ่าแล้วพอหัวล้ า, าครั้งหนึ่งนะจิตมีสมาธิขึ้นมาแล้วสบายใจแล้วหายเครียดแล้วแต่เหมือนเหมือนกับว่าเราหนีอ่ะในที่สุดเราก็หนีไม่พ้นเราก็กลับมาเครียดเหมือนเดิมยอย่าไปเกลียดความเครียดนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบใจเราไม่เป็นกลางถึงได้เกิดปัญหา สภาวะทั้งหลายเนี่ยก็เป็นแค่สภาวะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเรายินดีแล้วก็มีปัญหาเรายินร้ายเราก็มีปัญหาเง้นตัณหามันอยู่ที่เราไปหลงยินดียินร้ายต่อสภาวะสหเงินอย่างเราทำงานนะหัวหมุนติ้วติติตตตต้เลยนะก็เห็นว่าหัวหมุนหมุนอยู่อยากหายรู้ว่าอยากไม่ชอบเลยรู้ที่ไม่ชอบดูตรงนี้นะะเราหายทันทีเลย ตัวที่จะช่วยได้อีกตัวคือลมหายใจนะเรารู้ทันใจที่ไม่ชอบแล้วก็หายใจเล่นๆไปอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าว่าแป๊บเดียวพอจิตมันเปลี่ยนอารมณ์นะมันวางอารมณ์เก่าตอนประชุมนี่มีอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วสัญญามันไปจําอารมณ์ที่ไม่ดีไว้หลังประชุมนะมียังทํางานต่อมาได้อีกยังปรุงสังขารให้วุ่นวายได้อีก เราทิ้งอารมณ์เก่าเลยกกลับมารู้ลมหายใจอย่างสบายๆนะพอจิตเปลี่ยนอารมณ์ปุ๊บเดียวเท่านั้นนะไอ้ความเครียดเก่าๆหายทันทีเลยง่านยะ ไ, ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันไม่ได้แสดงว่าถ้าสมมติเราแบบเราเครียดน้อยลงเราเราหลงน้อยลงแปลว่าเราเก่งขึ้นเนะี่ยแบบอย่าไปว่าเราเก่งขึ้นเลยเดี๋ยวเซลล์จัดต้องมีอะไรไปฝึกเพิ่มเติมไปรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลาง แล้วก็อย่าประคองจิตนะม<า>ียังชินที่จะประคองไว้ประคองคือว่าอยากอยากดีเนี่ยเรรักษาให้นิ่งๆไว้เนี่ยอ๋อในขณะเนี้ยประคองอยู่ค<า>่ะค่ะรู้สึกมันเป็นไม่เคลื่อนไหวนิ่งๆถ้าเคลื่อนมันต้องเคลื่อนไปยังไงอย่างตอนนี้ถ้าเคลื่อนมันต้องเนี่ยตอนเนี้มันเคลื่อนไปคิดแล้วมันเกิดความสงสัยขึ้นมารู้สึกไหมเราก็กรู้ว่ามันเคลื่อนไปเออรู้ว่าเคลื่อนรู้ว่าสงสัย รู้อะไรก็ได้แต่ถ้าประคองอยู่มันจะมันก็ซื้อบื้ออยู่แค่นั้นจะอยู่นิ่งๆกับพระพระคุณค่ะนั่งเก้าอี้อยู่นั่งเก้าอี้หนุ่มที่นั่งรถเข็นใจมันหนีไปแล้วนะภาวนาดีขึ้นเยอะเลยแล้วน้ำมันมส ก, การหลวงพอ่อ อายุอายุมากแล้วเข้าไปก้าสิบแล้ว oh. อายุก็วันนี้พรุ่งนี้แล้วล่ะคะ่ะ hmm. ทำสมาธิอยู่ทุกเช้ายี่สิบสามสิบนาทีมาเ <De. S 2> กว่าปีแล้ว <De. S 2> มาได้สองเดือนนี้ได้ฟังสี่หลวงพ่อ hmm. ก็อยากจะปฏิบัติ hmm. แต่มันโง่คะ่ะไม่รู้จักแยกไอ ความรู้สึกกับรู้เนื้อรู้ตัวดูดูตัวดูตัวรูกไม่ต้องแยกไม่เป็นทุกไ่ต้องแยกนะโยมโยมรู้สึกไหมตอนนี้เรานั่งอยู่รู้รู้จักคำว่าใจลอยไหมรู้ฮะเอออย่าใจลอยนานเท่านั้นแหละร่างกายมันนั่งก็คอยรู้สึกร่างกายมันขยับก็คอยรู้สึก ใจมันกังวลก็คอยรู้สึกใจมันสุขก็รู้สึกใจสบายก็รู้สึกเนี่ยรู้ร่างกายรู้จิตใจไปอย่างตอนนี้ใจไปคิดก็รู้สึกรู้ว่าใจไปคิดใจสงสัยรู้ว่าใจสงสัยนหัดรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆรู้ทันความรู้สึกในใจรู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ หัดรู้หัดดูอย่างนี้พื้นฐานสมาธิของโยมดีนะการหัดนี้จะไม่ยากหรอ ก, รกอย่างขนาดนี้ร่างกายมันนั่งรู้สึกไหมรู้ค่ะ น, นะไม่เห็นต้องทำอะไรมันรู้อัตโนมัติแต่ถ้าเราใจลอยเมื่อไหร่เราก็ลืมร่างกายที่นั่งอยู่เพราะฉะนั้นเรามีร่างกายเป็นพื้นฐานไปเนี่ยเวลาใจลอยมันจะได้ใจลอยไม่นาน พอเราใจลอยไปเกิดขยับตัวปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองนะสติจะเกิดเองงั้นอย่างที่โยมฝึกเนี่ยพื้นฐานของโยมดีมากๆนะคือพื้นฐานของสมาธิเนี่ยดีต่อไปก็ดูความเคลื่อนไหวของร่างกายดูความเคลื่อนไหวของจิตใจจิตใจสุข ก, ก็รู้ทุ ก, ก็รู้กังวลก็รู้นะจิตใจเป็นไหญก็รู้ไปจิตใจแอบไปคิดก็รู้ จิตใจหลงไปดูก็รู้หลงไปฟังก็รู้รู้ ก, กายรู้ใจไปเรื่อยๆจิตทรงสมาธิอย่างนี้ไม่ยากหรอกสมาธิดีนะโยมเมื่อก่อนมีคุณยายท่านหนึ่งนะไปหาหลวงพ่ออายุ8ปสิบเจ็ดนั้นติดสมาธิมากกว่ายมมนี้ ติ่นแบบเข้าอารูปเลยนั่งสมาธิเพ้่เข้าอารูปไปเลยลนั้นหลวงพ่อไม่ได้แก้ให้แก้แกไม่ทันถ้าแก้หลุดจากสมาธิระดับนั้นออกมาเนี่ยจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติแล้วถ้าเกิดตายไปในขณะที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยเสียหายมากหลวงพ่อก็ปรับนิดเดียวบอกคุณยายแทนที่จะปล่อยให้จิตเข้าอารูปนะให้มันมีร่างกายไว้ ทำความสงบไปอย่างเดิมนั่นแหละแต่ให้มีกายไว้แล้วเวลาพระเสียระยะเมตไตรมาตรสรูร้เนี่ยก็มาเรียนต่อตอนตายจะไปเป็นพรหมมีร่างกายเป็นพรหมมีร่างกายเนี่ยมาฟังธรรมได้แต่ถ้าเป็นพรหมไม่มีร่างกายเปนะ็นรูปพรหมมาฟังธรรมไม่ได้เงั้นอย่าให้ร่างกายหายไปนะภาะวานาะรู้สึก อยู่ที่ไหนเห็นว่าหลายอย่างมันบังคับไม่ได้ค่ะอยู่ไหนอ่ะพอหลวงพ่อดูหน้าหน่อยว่าไปมันบังคับไม่ได้ค่ะบังคับใครบังคับแฟนเราเหรอกายเราก็บังคับไม่ได้โอใจเราเ็าบังคับไม่ได้เขาถูกแล้วถ้าหนูภาวนาแล้วเห็นบังคับได้หนูเห็นผิดนะที่จริงไม่มีอะไรบังคับได้สังเกตไหมใจเรายังฟุ้งอยู่ดูออกเปล่า ดูไม่ออกค่ะ ม, มันฟุ้งมันดูไม่ออกมัเอาแต่คิดภ <c oughs> าวนาอย่าเอาแต่คิดนะค่ะ <c oughs> คอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้สึกนะอ <c oughs> ย่าเอาแต่คิดฟุงฟ้งๆไปคอยรู้สึกบ่อยๆนะปัญญามันจะได้แหลมคมยิ่งขึ้นไปอีกถูกแล้วที่เห็นว่าบังคับไม่ได้อนั้นถูกแล้วนะจะดูไปอีก เนี่ยถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วปัญญามันเกิดไปเห็นเขาว่าบังคับไม่ได้นะพราสมาธิไม่พอเดินปัญญาอยู่นะวิปัสสนูภิกิเลสจะเกิดก็จะเกิดความเห็นผิดต่างๆขึ้นมาได้ยังเรื่องสมาธิเรื่องสําคัญนะค่อยๆฝึกไปหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวฝึกเรื่อยๆ จะได้มีกำลังที่หลวงพ่อบอกอาโยมมีจุดอ่อนสมาธิไม่พออีกพวกหนึ่งก็คือทำบ้างไม่ทำบ้างหนูทำสม่ำเสมอหรือเปล่าดีอย่างน้อยก็ดีแล้วมีความสม่ำเสมอนะก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจดูเขาทำงานไปเห็นความจริงของเขา เราบังคับเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวนะดูไปเรื่อยๆแต่ดูด้วยใจที่สบายๆมีสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวอยู่คนสุดท้ายอยู่ข้างหน้าดีใจรู้ว่าดีใจนะตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอย่าไปคุมมันนะส่งใหม่มาด้านหน้ามาส่งมา ยกมือไว้ยกมือไวนะ้เขาจะได้เห็นว่าส่งทางไหนเวลาส่งใหม่นะพวกเราส่งอัตโนมัติส่งอัตโนมัติอย่างนี้เรียกว่าส่งเดชนะ <c oughs> หนูเนี่ยเสียงดังดีไม่ต้องใช้ไมอยังได้ยินเลยออฮัลโหล ลูกกราบนมัส ก, การหลวงพ่อประโมทประโมทโชว์เจ้าค่ะ uh uh. ได้ยินชื่อนี้เรามารู้สึกประทับใจเจ้าค่ะโหลลูกมาครั้งที่สามเท่ากับเก้าวัดครั้งแรกหลวงพ่อไปไหนเม่รวันที่ย uh ี่สิบแปดแล้มาอีกทีบันังคารเห็นต่หลังหลวงพ่อค่ะวันนี้ได้เห็นแล้วค่ะ uh huh. เป็นบุญใช่ไหมอยากให้หลวงพ่อเมตตาว่าหนูอธิบายไม่ค่อยเป็นแต่ว่าสิ่งที่ลูกทําถูกต้องไม่เจ้าค่ะถูกต้องทําอีกนะดีใจไหมดีใจมากดีใจ รู้ว่าดีใจสองวันแรกนอนตื่นแต่ตีหนึ่งสองครั้งเลยค่ะแต่วันนี้รู้สึกปรับแล้วค่ะว่าตื่นตีสามเออ <c oughs> คอยอ่านใจตัวเองไปคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเจอค่ะคนไม่ต้องแสวงหาคนรู้ใจหรอกเรารู้ใจของเราเองดีที่สุดเลยก็หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ติดครูบาอาจารย์หนุนเล่นั่งฟัง YouTube อยู่กับบ้านขัดบ้านชู บ, บ้านตามซอกตา ม, มุมไปขัดใ จ, จตัวเองจ้คะ่ะนั่นแหละดูตัวเองไป อ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อเจ้าค่ะมีสิ่งมหัศจรรย์ลูกนั่งฟังหลวงพ่อตลอดแล้ววันนึงเป็นไปเต้งหลวงพ่อพ่อหนูที่อุดรเจ้าค่ะหนูเป็นคนบัญเชียงแล้วทีนี้พ่อบอกว่าท่าไมครูบาอาจารย์องค์เนี้ท่านเทศดีจังพ่อฟังเราแบบรู้สึกสบายใจพ่อหนูบวชได้เก้าพรรษาแล้วจู่ๆครึ่งซีกไม่ทํางานแล้วท่านก็เลยนั่งฟังอยู่บ้านน้องสาวเลยบอกว่าอ้าวครูบาอาจารย์ที่นี่ว่าอ้าวเหรอ ไปถามหลวงพ่อนะ่าจะรอฟังส่งกันบ้านเหรอเจ้าค่ะลูกกราบอนุโมทนาบุญทุบุญที่หลวงพ่ อ, อส่งต่อให้ลูกศิษย์นะเจ้าค่ะลูกจะปฏิบัติต่อต่อไปเจ้าค่ะของหนูระวังนะเรื่องที่ต้องระหวังเรื่องฟุ้งซ่านใช่ค่ะฟุ้งซ่านเนะจ้าค่ะพูดมากบางคนพูดมากนะแต่ไม่ฟุ้งซ่านนะค่ะ บางคนพูดน้อยนะแต่ฟุกงร่านก็พูดอยู่ในใจไม่ยอมหยุดเลยรูกก็บกดเฉยๆค่าอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนอ๋อกลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเออเอาเชิญกับบ้านเชียงได้หลวงพ่อเขาคไปบ้านเชียงเอ้ไปหลายรอบนะไปดูหม้อดูไห้ดูกระดูก <c oughs>